พระเจ้าอาชาติสรุทาเพื่ออะไรเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกพระองค์ก็ให้ล้อมพระธาตุที่บรรจุไว้ในรางทองคำด้วยลูกกรงหอกให้ผู้คนชุมนุมกันเป็นปริมนทนห้าร้อยยอดในแคว้นของพระองค์ปริมนทนเมืองแคว้นมคตเนี่ยบราณนี่ใหญ่มากเลยผู้คนเหล่านั้นก็ร่าพระบรมธาตุเล่นสาธุกีฬาจากกรุงกุสินารา พบเห็นดอกไม้มีสีเหมือนดอกทองคําในที่ใดก็เก็บดอกไม้เหล่านั้นมาบูชาพระบรมธาตุในระหว่างหอกมันก็เอาดอกไม้ก็เหมือนกับที่แบบเราจะเห็นว่าเจดีย์ทั้งหลายเนี่ยมีรูปหอกรอบๆเลยใช่ไหมกำแพงหอกสติสติเนี่ยนะ ก, ก็คือหอกเป็นร้อนะเช่นทางเชียงใหม่เนี่เห็นชัดเลยจะเป็ น, เ ป, นเป็นรูปหอกนะทางเชียงใหม่ที่ลําพูนอ่ะพระธาตุดอยสุเทพก็เป็นเนี่ยนะ ก, ก็จะทําเป็นรูป พระาธาตุลำปางหลวงก็มีพระาธาตุอาริพุนชัยก็จะเป็นรูปแบบนั้นนะนะก็เอาดอกไม้เนี่ยไปวางไว้ระหว่างระหว่างแบบนั้นเวลาดอกไม้เหล่านั้นหมดแล้วก็เดินทางต่อไปให้ให้ถึงฐานแอกแห่งรถคันหลังก็พากันเล่นสาธุ ก, กีฬาแห่งละเจ็ดวันเจ็ดวันเมื่อผู้คนรับพระาธาตุด้วยอาการอย่างนี้ทําบุญฉลองเพื่อรับพระาธาตุเนี่ย 7ปีเจเดือนแล้วก็เจวันผ่านไปเนี่ยโอ้ใช้เวลามากพวกรัตที่มิชชาทิทีก็ติเตียนว่าตั้งแต่พระสมณะโคโดมปรินิาพานพวกเราก็วุ่นวายอยู่ด้วยการเล่นสาธุกีฬาโดยพารการเสียเวลาโดยเปลา่าประโยชน์อ่างนั้นะการงานของพวกเรานี่เสียหายไปหมดแล้วก็ขุนเคืองใจแล้วก็ไปเกิดในนรกเนี่ยนะเกิดในอบายประมาณ8 6 0 0 0คนเนี่ยนะ พวกเหล่านั้นที่ที่ไปอบายไม่ใช่น้อยคือก็เหมือนกับว่าอย่างว่านะบอกเออสาธุกีฬานี่คืออะไรก็ของเราเนี่ยนะเพื่อฟุตบอลลูกเดียวมันก็ยังเล่นกันใช่ไหมไอ้แข่งลูกอะไรเทนนิสลูกเดียวก็ตีกลับไป ก, บไป ก, บไปกับมากับไปกับมาก็นั่งดูกันแห่แนกันเนี่ยมันก่อนก็บอกว่าถ่ายทอดไป300ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะโแล้วคนนี่มันจ้องดูอยู่แค่นั้นนะนะแล้วแข่งฟุตบอลอย่างเงี้ยนะ เตะกันอดหลับขับตานอนดูกันอยู่นั่นแหละไอ้กีฬาแบบนั้นไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ว่ามันรูปฟุตบอลมันราคาสักมีค่ามากอบรมสร้างบารมีมานาะนมันก็ไม่ใช่อ่นะคนสมัยนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเขาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสาระคล้ายคนเหล่านี้เห็นว่าการกีฬาทั่วๆไปว่ามีสาระก็เหมือนกันนั่นแหละก็รวมตัวกันมากแล้วแต่ว่าให้ความสนใจกับอะไรต่งางอย่างคนสมัยนั้นก็ให้ความสนใจกับ พระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณให้ความสนใจกับพระรัตนาไตรามากจิตใจของเขาก็น้อมไปทางคุณของพระรัตนาไตรซึ่งต่างจากสมัยใหม่ให้คุณกับฟุตบอลกีฬาต่างๆก็จะไปไปรวมตัวชุมนุมกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่ายุคใดสมัยไหนถือว่าอะไรดีและมีค่าอะไรที่ควรที่ตัวเองจะใส่ใจเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่าสมัยก่อนเขาเชื่อว่าใจนี้เป็นสิ่งที่มีสาระที่สุดเป็นสิ่งที่มี คุณค่าที่สุดเนี่ยนะเขาพยายามที่จะบำรุงรักษาใจเพิ่มใจให้เป็นบุญเป็นกุศลที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเหตุปัจจัยอะไรที่จะทําให้ใจเป็นบุญเขาก็สแสวงหาเหตุปัจจัยเหล่านั้นให้ใจเป็นบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปจเจริญ ง, งอกงามด้วยบุญจนสา ม, มารถทําที่สุดแห่งถูกได้ซึ่งปัจจุบันนี้ให้ความสําคัญกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ตัวเอง ปรารถนาเป็นต้นท่านั้นเองก็ใส่ใจอยู่ในเบญจ ก, กรรมคุณซึ่งมันก็คนลยุคคนละสมัยกันนะนะแต่ก็อย่างว่าชาติชรา ม, มรณะก็ไม่ล้าสมัยนะความแก่ก็ไม่ได้ล้าสมัยเลยความป่วยความตายเป็นต้นทุกอย่างเหล่านี้ก็ไม่ได้ล้าสมัยทุกอย่างคงเดิมหมดเกิดเท่าไหร่ก็แก่ตายเท่านั้นแหละเนี่ยนะมันก็คงเดิมทุกประการไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจในคาสอนให้ดีๆเนี่ย บางทีบางคนก็บอกโอ้ยคนละสมัยแล้วเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าปัญหาของการมีพระพุทธศาสนาเนี่ยปัญหาพื้นฐานเหมือนกันหมดก็คือโลกอัญชารานำไปไม่ยั่งยืนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกไม่มีอะไรเป็นใหญ่เฉพาะตนเนี่ยโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มตกอยู่ภายใต้ธาตุที่เรียกว่าตกเป็นธาตุแห่ง ตันหาแล้วแต่ตันหาจะฉุดลากดึงออกไปเนี่ยนะท่านคนสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ไม่ต่างกันแต่วิจารณญาณแตกต่างกันสมัยนั้นเขาถือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสมมาังกประถือว่าการเจริญศรัทธาศีลหิริโอตปะสุตะจาฆะปัญญาเป็นสิ่งที่ดีมีค่าและประเสริฐก็ขวนขวายและทุ่มเทในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งสมัยใหม่ก็ตรงกันข้ามเนี่ยนะตรงกันข้ามมองเห็นว่าศีลเป็นเรื่องที่ ล้าสมัยมากนะแม้พูดถึงคําว่าศีลเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นคําที่เสียดแทงมากเลยนะบางคนที่เวลาศึกษาธรรมะนี่พยายามปกปิดตัวเองกลัวคนอื่นจะรู้เนี่ยนะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าซ่อนซเร้นเกันแล้วสมัยก่อนใครทําชั่วนะ่นต้องต้องแอบไปทําชั่วนะั่นไม่เปิดเผยตัวไม่ได้อายเขาเดี๋ยวคนอื่นก็จะต่อว่าเอาปกปิดแอบ ตอนนี้หมายว่าถ้าใครจะทําดีต้องแอบแอบทำเนี่ยนะซ่อนๆตัวทําถ้าจะทําทั่วเปิดตัวได้เต็มที่เหมือนกันนะ่ะเออมันกลายเป็นอย่างนั้นไปมันแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละสมัยต่ําถ้ายุต่ําก็ร้อยปีเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกอกุศลกรรมมาบดเจริญรุ่งเรืองกุศลกรรมบด น, นี่จะเสื่อมถอยนี้ดียังมีคําสอนอยู่นะประเทศที่ยังมีคําสอนฟังว่ากุศลกรรมบดเป็นกุศลเนี่ดีแต่ประเทศที่ไม่มีคําสอนแล้วคําว่ากุศลกรรมบดเขาไม่ได้ยิน เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยจะกล่าวไปยัยถึงว่าเจริญกุศลกรรมบดไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เขาไม่เข้าใจหรอกแต่พั้นกุศลกรรมมาบดพันต่อไปเนี่ยอธรรมจะรุ่งเรืองอักุศลกรรมบดก็แพร่หลายปัจจุบันนี้เห็นล้ปานาติบาตก็แพร่หลายอธินนาทานก็แพร่หลายการเมสุมิชาร์การเป็นต้นก็แพร่หลายกุศลสีเนี่ยไม่แพร่หลายเลยก็ค่อยเรียกว่าหดตัวหดตัวหดตัวลงไปในที่สุดก็ก็หมดไปจากโลกอันนี้ปกติ เป็นศาสนาเดียวที่ทำนายว่าอีกไม่นานก็หมดจากโลก น, นะเปิดเผยตัวเองตลอดเลยว่าพุทธศาสนาเป็นของที่มีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะมันไม่ได้มีอยู่ตลอดทุกยุคทุกสมัยนะว่าอีกไม่นานเป็นบอกเป็นาศาสนาเดียวที่บอกเลยอนาคตต่อไปาศาสนาของเราจะเป็นยังไงยังไงยังไงยังไงแล้วหมดไปยังไงวันหมดเป็นยังไงอะไรยังไงบอกไว้หมดเลยก็แสดงว่าเป็นของที่มีชั่วคราวไม่ใช่เป็นของที่มีตลอดการแล้วก็ตลอดไป ถ้าใครจะถามว่าศาสนาต้องมีตลอดไปสิถามใจตัวเองว่าใจนี่จะอยู่กับคำสอนได้ตลอดไปไหมล่ะถ้าตอบอย่างนี้ได้ก็อย่างน้อยที่สุดอยู่กับคนที่คิดอย่างนี้ก่อนและหนึ่งคนก่อนแต่ถ้าคิดแหมจะต้องเอาศาสนาไปวางไว้กับคนนั้นวางไว้กับคนนี้ ถาจะยากนะนะขนาดใจของตัวยังไม่ค่อยคิดจะวางศีขาสามเอาไว้ในใจไม่คิดจะวางพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณไม่คิดจะวางโพธิปัจขยธรรมไม่คิดจะวางคุณธรรมลงในใจเราอย่าคิดว่าเราจะเอาไปวางไว้ที่คนอื่นได้มากนะพอมาคิดได้อย่างนี้ก็เลยสบายใจเนี่ยนะนะเอา ก็คนอื่นเขาไม่เอาคาําสอนไปวางเราอย่างน้อยที่สุดเราก็เอาคําสอนมาวางในใจเราก่อนมันเราเนี่ยกล่าวธรรมชั่วโมงก็ได้บุญชั่วโม ง, นงหนึ่งนี้นั่งยิ้มแล้วมาเจริญกุศลมาตั้งแต่9ก้าโมงเดี๋ยวก็ถึง11บเอโมงแล้วก็ได้บุญทั้งสองชั่วโมงเนี่ยนะพักสักเล็กน้อยก็มาเจริญกุศลต่อเนี่ยแล้วก็ไปเจริญกุศลต่อไปเรื่อยๆตอนนี้หาชั่วโมงกุศลเนี่ยนะทำยังไงให้ชั่วโมงกุศลมันเยอะที่สุดให้มันมากที่สุดตัดอ ก, กุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะตัดออกไปได้กลัวหมดบุญเ น, น, น หมดบุญเนี่ยเนี่ยเขาบว่าชาตินี้ไม่น่าเป็นห่วงร้องเนี่ยเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นชาวพูดอย่างงี้ยไม่น่านักใจร้องแล้วลชาติหน้าแล้วชาติหน้าอะไรรับรองวอุ้ยอีกนานนานว่าคนที่พูดอย่างเงี้ยไปหมดแล้วเนี่ยนะไปส่งเผางานมาตั้งหลายงานมาแล้วอย่างเงี้ยนี่แล้วเราเองแล้วมันเอาอะไรรับรองล่ะเนี่ยนะบอกอายุยังน้อยเอาอะไรมาวัด เนี่ยนะเพราะเขตายตั้งแต่อยู่ในครันกันแล้วสมัยใหม่ไฮเทคก็ตายไปอยู่ในทองก็ตายคลอดออกมา ก, ก็ตายลังคลอดก็ตายตายหมดอายุเท่าไหร่ก็ตายได้ทุกสมัยบอกเฮ้ยพอต่อไปนะอายุมากมากแล้วโรคมะเร็งมันค่อยเกิดบอกตอนนี้เด็กๆโรคมะเร็งก็เป็นหมดแล้วเนี่ยนะหนุ่มๆสาวๆนี่นโรคมะเร็งดีนักแลงว่างั้นอ่ะพันโรคไฮเทคไปเรียบร้อยทันสมัยมากพราะหนุ่มน้อยสาวน้อยก็เป็นโรคมะเร็งได้หมดแล้วคั้งนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเป็นได้ทุกคนแล้วก็เป็นได้เกือบทุกอวัยวะของร่างกายเนี่ยนะ บางคนก็บอกอเออโรคมะเร็งที่หัวใจเขาไม่เคยเห็นท้องใสมันไม่ทันเห็นนัมันตายไปก่อนแล้วเหมือนกันก็สรุปว่ามันเป็นในทุกโรคและสรารพัดโรคเนี่ยนะหนักเข้าหายใจก็ยังเป็นโรคเลยกันเนี่ยหายใจเข้ากับสูบโรคเข้าไปเนี่ยนะหายใจออกก็พ่นโรคไปให้คนอื่นเนี่ยนะหายใจเข้ากับสูบโรคคนอื่นเข้ามาไม่เชื่อก็ลองไปนั่งใกล้ๆคนเป็นหวัดดูซิเนี่ยนะถ้าเราเป็นหวัดแล้วไปหายใจให้คนอื่นดมดูซิเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะดีนะมันหวัดถ้าเป็นหวัดนกด้หรือยาอะไรกันเนี่ย มันก็มันพร้อมที่จะสรุปว่าเนี่ยโดยที่สุดหายใจเมื่อยตาได้ไม่ต้องไปสร้างอาวุธปรามานูอะไรที่ไหนหรอกหายใจรดกันก็นกนกนตายแล้วคนเนี่ยนะทีนี้เออแล้วตายแล้วแล้วทัง้งต้องเกิดอีกจะไปยังไงต่อไปแล้วกันนี่ลําบากใจมากันนะถ้าไม่เจริญกุศลเอาไว้เยอะๆแต่ว่ากุศลใดที่น่าเจริญเนี่ยนะอย่างเนี่ยเรามีคําสอนมีพระพุทธศาสนาตอนนี้เนี่ยนะถึง พูดถึงว่าเนี่ยตอนเนี่ยเหลือพระาธาตุเนี่ยของเรานี่ก็เหมือนกับสมัยพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูมีพระาธาตุชันใดเราก็มีพระาธาตุชันนั้นแต่ต่างกันว่ายุคพระเจ้าชาติศัตรูพระไตรปิฎกกว้างขวา ง, งมากสมัยเราพระไตรปิฎกแคบแคบเนี่ยนะเล็กจริงๆเลยนะมันก่อนมานั่งนึกเอ อ, เ อ, อปกติคนก็ไม่อ่านพระไตรปิฎกอยู่แล้วนี่ก็เลยไม่ค่อยรู้สึกหนักใจเท่าไหร่ เพราะอะไรเพราะปกติเมื่อก่อนเขาก็ไม่อ่านถ้าเขาไม่อ่านอีกก็แต่ปกติดีมันแสดงว่าปกติเยของเราผิดปกติสักคนหนึ่งเธอเนี่ยนะทำยังไงใช่มันอ่านเนี่ยไม่อยากเป็นคนปกติแบบปกติอย่างเงี้ยนะปกติชรามรณะก็ถือว่าเพียงพอแล้วเนี่ยเอ๊ปฏิบัติยังไงให้ปกติปฏิบัติเพื่อพ้นจากชราและมรณะเนี่ยนะอย่าลืมว่ามันมีสองอย่างถ้าไม่มีโสมนัสก็โทมนัสถ้ายังเจริญกุศลที่เป็นเอ็นให้สุขโสมนัสไม่ได้ที่เหลือข้างหน้าก็มีแต่ ทุกโทมนัตเท่านั้นเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เจริญเหตุแห่งสุขมันก็มีเหตุแห่งทุกคือตลอดระยะเวลาการเดินทางของชีวิตมีสองอย่างไม่ผิดก็ถูกคําพูดที่พูดออกไปหนึ่งคำไม่ผิดมันก็ถูกไม่มิจฉามรคมันก็สัมมามรคไม่มิจฉาวาจามันก็สัมมาวาจาการกระทําทุกอย่างถ้าไม่สัมมากัมมันตะก็มิจฉากัมมันตะทุกความคิด ถ้าไม่สัมมาวายามะเป็นต้นมันก็เป็นมิจฉาวายามะเราจะมาคํานวณมากําหนดมาคัดมาแยกแยกแยะทิศทางทางกายกรรมวจีกรรมอย่างไรแต่ที่สําคัญเราฐานะที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสาระเราก็ต้องคิดว่าทํำยังไงใจของเราจะเป็นไปตามคําสอนมากที่สุดเป็นไปตามพุทธประสงค์มากที่สุดเนี่ยนะเพราะยังไงเราก็มีโอกาสได้คิดถึงพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละเนี่ยนะเฉพาะาศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้นะพระพุทธเจ้าโคโดมเนี่ย เธอว่าโอกาสสุดท้ายแล้วที่เรียกว่าศาสนาของพระ อ, องค์นี่ก็หมดอ่ะนะพระ อ, องค์บารมีสีอสงไขยเซนกลับเนี่ยเราจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปพบต่อต่ อ, ตอไปชาติต่อต่อไปจนกว่าจะปรินิพานเนี่ยนะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยไม่คิดจะนิพานเลยเหรอสวรรค์ก็ให้มันได้ก่อนเถอะเนี่ยถ้าได้สวรรค์ก่อ น, นถ้าได้สวรรค์ได้พรห ม, มโลกเขาค่อยคิดเรื่องนิพานกันมา ง, งั้นเถอะถ้าสวรรค์ก็ยังไม่ได้จะเอาอะไรไปนิพานเนี่ยนะ หรือว่าคนละนิพานกันไปแล้วก็ได้เนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าหนึ่งไม่มีคุณธรรมก้าวล่วงจากอบายนิพานก็นิพานไม่ได้สองถ้าเอาคุณธรรมกระออกจากกา ร, ร ม, มาพบไม่ได้มันก็นิพานไม่ได้ถ้าเจริญคุณธรรมออกจากวัตฏะไม่สาเร็จอย่าวังเล ย, เ น, ยนะนะที่จะตรัสรู้พระนิพานได้เขาจะต้องเจริญกุศลธรรมขนาดไหนจึงจะบรรลุมรรคผลนิพานและเจริญอะไรที่คู่ควรแก่การ บรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นทำอันเลิศตรัสรู้ด้วยข้อปฏิบัติอันเลิศและกุศลธรรมที่เลิ่อมากเนี่ยนะเพราะเราทําใจยังไงให้เป็นใจที่เลิศเนี่ยนะบุญอันประเสริฐ จ, จึงจะได้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไปถ้าสร้างทิศทางกําหนดทิศทางเหล่านี้เบื้องต้นไม่ได้อนาคตก็อันตรายเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่เจริญกุศลมากๆเข้าเราก็มาเจริญอกุศลมากๆถ้าเราชมคนพาลมากๆเราก็ตําหนิบัณฑิต อย่างพวกเดรธีทั้งหลายเนี่ยนะพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนื่องจากเขาชมวัตถุ ก, การมทั้งหลายก็ตําหนิติเตียนคนที่บูชาพระธาตุบูตําหนิติเตียนพระธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดในอาบายเท่าไหร่แปดหมืนหกพันเนี่ยนะแต่เขามาก็เออคนตําหนิแบบนี้เราเกิดมาไม่เคยเห็นนะนะแต่ว่าเกิดมาตอนนี้เห็นแล้วครั้งหนึ่งไปไหว้พระธาตุ ท, ที่ที่เนี่ยปฐมเจดีนี่แหละแล้วก็ไปไหว้กันเยอะพอสมควรนะี ไปกันเยอะเหมือนกันนะวันที่กลับมาจากอินเดียก็ไปกันเยอะมีโยมคนหนึ่งเขามาถามเอ้พวกนี้เขาว่างกันหรือไงท่านเขาไม่ทําอะไรกันหรือไงเขามาไหว้พระาธาตุนี่เหมือนกันนะเ ข, เ, ขเขาเขาโกรธมากเลยนะเอ๊ะเอ๊ะก็แปลกนะเขาก็ไม่ได้คนนี้ไม่ได้ออกทุนให้คนที่มาไหว้แม้แต่คนเดียวนะ <S <S แต่ทําไมเขาไปเดือดร้อนอะไรกับคนเหล่านั้นทั้งหมดอันนก็ยังแปลกใจแล้วเขาเองก็มาได้เป็นนา ย, ยกรัฐมนตรีต้องดูความเรียบร้อยประชาชนก็ไม่ใช่อีกนั่นแหล ะ, และสรุปอะไรก็ไม่ใช่ซักอย่างเลยนนะ แต่เออแต่ว่าคนเนี่ยมันมีหลายประเภทด้วยกันอย่าไปคิดอะไรมากสมัยพระเจ้าชาติศัตรูมีทั้ง 8, 6, แปดหมนพัน่ะนะที่เฉพาะที่ไปอบายไม่ได้แช่งเขาแต่ว่ากายกรรมวจีกรรมนั่นแหละเป็นเหตุเนี่ยนะมันคนเนี่ยไม่ได้ตกนรกเพราะคําของคนอื่นไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะคาของคนอื่นแต่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของตัวนั่นแหละเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนหรอกเพราะบุญบาปเป็นเรื่องเฉพาะตัวทีนี้ พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเห็นแล้วว่าแบบถ้าทุกคนบูชาพระธาตุกันอยู่อย่างนี้ไอ้คนที่โกรธทั้งหลายคนที่ไม่ชอบทั้งหลายไปอบายกันเยอะแน่ก็เลยคิดอนะให้พระเท้าสักกะเนี่ยวางอุบายวิธีว่าทำยังไงไปให้ไปสร้างเป็นพระาธาตุไว้เร็วที่สุดเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยพระราชาสมัยก่อนเนี่ยปกครองโดยสมบูรณ์ อ, อาณาญาสิทธิราชเนี่ยอำนาจไวแต่เพียงผู้เดียวเพราะใครไม่ทำตามคําสั่ง ประหารอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็มีคนที่เขาคัดค้านในใจนะแต่พวกนั้นก็คือจริงๆเขาใช้ให้ไปทำดีแหละแต่ว่าไอ้จิตที่มันต่อต้านคัดค้านจิตอันนั้นก็พาไปนะไปเสียหายแต่จริงๆพระราชาก็อยากให้ประชาชนทั้งหลายได้บุญได้กุศลกันเจริญอย่างเต็มที่แต่ประชาชนคนที่ไม่ฉลาดก็เลยฟาดบาปกันไปเต็มที่เหมือนกันเนี่ยนะทีนี้ท่านบอกว่าถ้าจะไปบอกว่าแหมให้เลิกบูชาพระธาตุเถอะ พระาดหันไปบอกให้เท้าสก่าบอกทํำยังไงก็ได้ให้เอาพระธาตุไปสร้างเป็นเจดีย์ให้เร็วกว่านี้ไปบอกเท้าสก่าเท้าสก่าก็บอกว่าปุถุชนคนที่มีศรัทธาเหมือนพระเจ้ า, าชาติศัตรูเนี่ยไม่มีหรอกใครไปบอกให้ท่านเลิกบูชาพระธาตุท่านไม่เชื่อสักคนเดียวข้าพเจ้าเป็นพระอินทร์เนี่ยแม้สีเขียวมาเลยเนี่ยพระเจ้ า, าชาติศัตรูก็ไม่ฟังหรอกว่า ง, งั้นก็เอางี้แล้กันเดี๋ยวจะสร้างสิ่งที่น่าสะเพงกลัวเหมือนมานที่น่ากลัวแล้วก็ ทำให้เสียงดังสนัน่นทำให้คนเนี่ยเป็นไข้สั่นระรวมเหมือนคนผีเข้าพระคุณเจ้าก็จะทูลว่ามหาปิตพวกอมนุษย์เขากโกรธเพราะฉะนั้นให้นำพระาธาตุไปโดยเร็วอุบายอย่างนี้พระองค์ก็จะนำพระาธาตุไปโดยเร็วเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหล่านั้นเนี่ยนะก็ไปบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูพระเจ้ า, าชาติศัตรูก็บอกว่าจิตของโยมนี่ยังไม่ยินดีก่อนแต่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็เอาเอให้เอาพระธาตุไปแล้วกันเพราะฉะนั้นจะต้องบูชาอีกเจดวันเนี่ยนะในวันที่เจคนทั้งหลายก็นำบูพระธาตุนี้มาถึงพระราชวังเนี่ยนะมาถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สร้างเจดีย์ที่กรุงราชกรลึกแล้วก็ทํามหากรรมเนี่ยนะกรรมที่ยิ่งใหญ่มากสร้างสถูปเจดีย์แล้วก็มีการบูชาพระธาตุเนี่ยนะ การบูชาพระาธาตุทั้งหลายก็ได้มีมีขึ้นในชมพูทวีปโดยเฉพาะที่เมืองราชเครั้นั้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากรุ่งเรืองมากแล้วก็ร่ํารวยมากในนะในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นก็การสร้างเจดีย์การฉลองพระาธาตุการบูชาพระาธาตุก็เป็นไปมายื่นอันเนิ่นยาวนานท่านใครที่ไปเมืองราชคจนคตอนนี้เนี่ยนะยุคนี้ก็ไประ ล, ลึกถึงบุญกุศลของที่พระเจ้ า, าชาติศัตรูทั้งหลายเป็นต้นได้กระทําส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับฝั่งพระาธาตุก็คงเป็น ตอนบ่ายเนี่ยนะเฉพอช่วงเช้าก็พักเท่านี้ก่อน